จะกลับมาขอเวล กันบ้างนาพิธิ ออยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงยญ่ได้เงินจากการทำงานจะส่งมาทานบ้านให้พ่อแม่ได้ใช้ถ้าสะสมมากพอเมื่อไรจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้เป็นของขวัญ